Book 2 37ามสเจระหว่างเดินทางอุนเดอร์วเขาขับรถจักรยานยนต์ไฮไรเอมูเทอร์ฟิทเขาขี่จักรยาน h ห r ไรเอฟฟิตสเขาเดินให้คอนเดอะฟุตเขาไปโดยเรือใหญ่ให้คอนเปอร์สเก p บเขาไปโดยเรือให้คอนเปอร์บูเขาว่ายน้ำให้สม ที่นี่อันตรายไหมคะ Is dit gevaarlijk? การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะ Is dit gevaarlijk om alleen te rijden? มันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน Is dit gevaarlijk om te gaan stap in de a a n d เราหลงทาง เรามาผิดทาง die er pad. เรากำลงเรากลังจะากลังผิดทางเรากำลังจะไปผิดทา d เร a กิดเรากำลงจาเลังจะรากลังไดทางเดทไิะทจดทเรจไดาะทรไหผคะ mag mens er? ททจดรไะ อ er ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะมซะคุณเล่นสกีไหมคะสกี <S S คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะขที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ ฉันไม่เห็นสีสกีส์รื